กําหนดผิวสีถามผิวสีถูกกําหนดขึ้นจากกรรมอะไรตอบมีปัจจัยหลายประการครับถ้าพูดแบบผิวเผินที่สุดสีของผิวกายในปัจจุบันชาติสะท้อนให้เห็นสีของจิตในอดีตชาติ ถ้าสั่งสมกรรมชนิดที่ปรุงแต่งจิตให้เป็นเมตตามากๆผิวพันธุ์ก็จะออกแนวโน้มไปทางขาวละเอียดแต่ถ้าสั่งสมกรรมชนิดที่ปรุงแต่งจิตให้เป็นพยาบาทมากๆผิวพันธุ์ก็จะออกแนวโน้มไปทางดำกระด้างคุณสมบัติหลักๆอันเป็นเครื่องชี้ว่าจิตมีเมตตาสูงได้แก่ความเป็นคนโกรธยากหายง่าย และเป็นผู้สละให้คนอื่นง่ายแต่กอบโกยเข้าตัวยากการมีเมตตาสูงไม่ใช่สิ่งที่จงใจกำหนดได้เองลอยๆแต่ต้องเป็นผู้กระทำกรรมทางกายวาจาใจในทางเป็นกุศลดังนี้ 1. ความคิดในเชิงสละมนทินออกจากจิตนับแต่ความคิดสละความตรณี ความคิดสละความผูกใจเจ็บแค้นอาฆาตและความคิดสละความเห็นผิดทานองคลองธรรมนอกจากนี้ยังมีทางลัดแบบภิกษุในพุทธศาสนาคือเจริญเมตตาตั้งจิตไว้เป็นสุขอย่างใหญ่แล้วแผ่ไปไม่มีประมาณกระทั่งเป็นอัปมัญญาคือรวมจิตถึงฌานด้วยอำนาจความสุขที่แผ่ไปทั่วทุกทิศอย่างไร้ขอบเขตนั้น หากเจริญเมตตาได้เป็นปกติตลอดชีวิตก็ยากที่จะเกิดโทสะเปื่อนจิตได้เกินอึดใจอย่าว่าแต่จะยกระดับขึ้นเป็นความอาฆาตพยาบาทยืดเยื้อยาวนาน 2. คำพูดในเชิงประนีประนอมประสานประโยชน์นับแต่คำพูดถึงความจริงอย่างตรงไปตรงมาคำพูดที่ไพเราะสนเอหู คำพูดที่นุ่มนวลปราศจากการให้ร้ายและคำพูดที่เปี่ยมด้วยสติไม่เพ้อเจอเลอะเทอะวจีกรรมที่ขาวสะอาดจะปรุงแต่งจิตให้ขาวสะอาดตามไปด้วยและเป็นที่ตั้งแห่งพยาบาทได้ยากเช่นกัน 3. การกระทำในเชิงให้คุณนับแต่การเก็บมือไม้และกายส่วนต่างๆ ไม่ให้เบียดเบียนผู้อื่นในทางใดทางหนึ่งไปจนกระทั่งการใช้มือไม้และกายส่วนต่างๆสง่งเคราะห์ผู้ต้องการความช่วยเหลือแม้เมื่อให้ทานยังค้อมหลังก้มลงให้ไม่ใช่โยนให้อย่างเสดเดนความนุ่มนวลทางกิริยาจะปรุงแต่งจิตให้น้มน้อมไปในทางถ่อมตนปราศจากความกระด้างเป็นปฏิปกกักษ์กันกับนิสัยก้าวร้าว ไม่เป็นที่ตั้งของโทสะและพยาบาทกรรมขาวที่กล่าวมาข้างต้นจะทำให้ใจดีมีประกายเมตตามีความขาวซึ่งยิ่งประกอบกันมากเท่าใดก็จะทำให้นิมิตของกายในเป็นไปในทางขาวมากขึ้นเท่านั้นและเมื่อเกิดใหม่จริงพลังกรรมก็จะรวมตัวไปคุมรูปร่างและผิวพัรุ์วันนะ ให้เหมือนกายในดังกล่าวนั่นเองส่วนคุณสมบัติหลักๆอันเป็นเครื่องชี้ว่าจิตมีความพยาบาทสูงได้แก่ความเป็นคนโกรธง่ายหายช้าและเป็นผู้สละให้คนอื่นยากแต่กอบโกยเข้าตัวง่ายการมีความพยาบาทสูงมิใช่สิ่งที่จงใจกำหนดได้เองลอยๆ แต่ต้องเป็นผู้กระทำกรรมทางกายวาจาใจในทางเป็นอกุศลดังนี้ 1. ความคิดในเชิงสะสมมนทินเข้าจิตนับแต่ความคิดโลภเอาเข้าตัวความคิดผูกใจเจ็บไม่เลิกและความคิดหลงสำคัญผิดอันเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านแสบสายความมืดดำเป็นอกุศล นอกจากนี้ยังมีทางด่วนพิเศษไปสู่ความหหยาณะทางจิตคือเลือกเชื่อหรือปลูกฝังความเชื่อตามลัทธิที่ชักชวนให้หลงผิดเช่นเรา่มเรียนสายดำนับถือบูชายักษ์มารเป็นสารณะปฏิเสธบุญคุณพ่อแม่แต่หันไปเลื่อมสบุญคุณเทพหรือเจ้าลัทธิแทนความหลงผิดจะทำให้จิตมืดจิตมืดจะเป็นที่ตั้งของโทสะ และพยาบาทได้ง่าย 2. คำพูดในเชิงก่อโทษและเพิ่มรอยร้าวนับแต่คำพูดบิดเบือนความจริงคำพูดก้าวร้าวหยาบคายคำพูดให้ร้ายและคำพูดไร้สติที่ทำให้ใจเราใจเขาพล่านไปอย่างปราศจากทิศทางวจจกก ร, รมที่ดำาศกกระปรก จะปรุงแต่งจิตให้ดำสกปรกตามไปด้วยและเป็นที่ตั้งแห่งพยาบาทได้ง่ายเช่นกัน 3. การกระทาในเชิงให้โทษนับแต่การลงไม้ลงมือเบียดเบียนผู้อื่นในทางใดทางหนึ่งไปจนกระทั่งการเก็บมือเก็บไม้ไม่ยอมสองเคราะห์ผู้ต้องการความช่วยเหลือการเคลื่อนไหวแบบรลุนพลันปึงปัง การนิยมวิธีใช้กำลังบังคับผู้อ่อนแอกว่าก็ล้วนเป็นที่มาของใจกระด้างกระเดืองเป็นมิ่งมิด ก, กันกับนิสัยก้าวร้าวเป็นที่ตั้งอันมั่นคงของโทสะและพยาบาทกรรมดำที่กล่าวมาจะทำให้ใจดำมีความมืดชนิดแผ่รังสีอ ม, มหิตซึ่งยิ่งหนาแน่นเท่าใดก็จะยิ่งทำให้นิมิตของกายในเป็นไปในทางดามากขึ้นเท่านั้น แล้วเมื่อเกิดใหม่จริงพลังกรรมก็จะรวมตัวไปคุมรูปร่างและผิวพรรณวันนะให้เหมือนกายในดังกล่าวนั่นเองทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต้องกล่าวว่าถ้ากายในเสื่อมลงหรือเจริญขึ้นขัดแย้งกับของเก่าอย่างเห็นได้ชัดคุณไม่ต้องรอเกิดครั้งหน้า ก็สามารถเห็นเขานิมิตกายใหม่ได้ผ่านผิวพันธ์นี่เองเท่าที่ผมเห็นกับตามาหลายครั้งนะครับบางคนนี่แรกๆดูดำๆสกปรกหรือแม้ผิวขาวก็ดูหมองไร้ราสีพอหันมาศรัทธากรรมวิบากหมันให้ทานรักษาศีลเป็นนิดผิวพันธ์ก็เปล่งปลั่งสดใสขึ้นชนิดคนรอบข้างอ้าปากวอกันเป็นแถวยิ่งถ้าบุญเก่าดีอยู่แล้ว และมาตั้งใจอย่างเด็ดเดียวบำเป็นประโยชน์ต่อสังคมไม่ผิดศีลแม้ด้วยความคิดก็แทบจะเห็นจะจะชนิดข่าวด้วยบุญใหญ่ข้ามคืนกันเลยทีเดียวกล่าวโดยสรุปถ้าจิตกระเดียดไปทางอารมณ์ดีจะมีกระแสเมตตาคุมรูปให้ข่าวละเอียดสมดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า ความไม่ถือโกรธมีวิบากเป็นผิวพันธ์ประนีตถ้าจิตกระเดียดไปทางเจ้าโทสะจะมีกระแสอาคาตคุมรูปให้ดำกระด้างสมดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าความมักโกรธมีวิบากเป็นผิวพันธ์สาม